จนเงินไม่จนใจที่วัดประตงจังหวัดสะแก้วมีผู้คนมาทำบุญมากมายถามคนแจกว่าหลวงตามาจริงหรอถ้ามาจริงเขาก็มางานจริงเหมือนกันเพราะมีความเลื่อมใสพระหลวงตามากต้นผ้าป่าที่แจกออกไปกลับมาเกือบหมดไม่มีใครทิ้งต้นเลยจนต้องใช้รถหลายคันขนต้นกลับไปทำงานต่อที่จันทบุรี ประชาชนมีศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มากถึงแม้ไม่ได้ทําบุญก็ขอให้ได้เห็นหลวงตาผู้คนจึงพากันมาแน่นวัดมีคนถามว่าไม่มีเงินทำบุญไปได้ไหมต้องตอบว่าไปได้เลยไม่มีปัญหามีโรงทานเลี้ยงอาหารทั้งคาวหวานให้พากันมาพอถึงวันก็มาพร้อมต้นพับป่าและแบงก์เก่าๆเพียงใบเดียวน่าสงสารมากแต่ก็โมทนามากในเรื่องของใจที่มีศรัทธาต่อพุทธศาสนาและพระดีๆ ที่หาได้ยากยิ่งอย่างพระหลวงตาคนจนอยากกราบพระหลวงตามากแต่ไม่กล้ามาเพราะไม่มีเงินถวายถึงกระนั้นพระหลวงตาก็ยังไปเมตตาตรงข้ามกับคนรวยที่ร่ำนำใจและไม่ทำบุญสายบุญมีเพียงบาทหนึ่งก็ทำบุญได้แต่ถ้าไม่ใช่แม้บาทเดียวก็ไม่ให้กระเด็น คนแจกเองขณะแจกไปน้ําตาร่วงไปเพราะเห็นใจในความยากจนของผู้คนแต่พอถึงวันงานก็มีคนไปมากมายเห็นแล้วก็ซาบซึ้งที่ทุกคนไปด้วยใจทำเอาคนทำงานรู้สึกซาบซึ้งกับชาวบ้านที่แม้เป็นคนจนเงินแต่ก็ไม่ได้จนใจ ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรควัดหลวงพ่อเมงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อไปถึงมีอุปสรรคมากพอสมควรมีที่พักสบายแต่ขาดอาหารต้องควักกระเป๋าตัวเองตลอดแต่ก็ไม่ยอ่อท้อตั้งนาตั้งตาทำงานถวายพระหลวงตาให้ลุ่ล่วงอย่างเดียว งานนี้ป้าท้วนถูกส่งให้ไปตอกผ้าใบสำหรับติดป้ายทั่วเชียงรายถึงส0สิบผืนซึ่งป้าท้วนก็ทำเสร็จภายในเวลาเพียงสองวันแล้วก็ออกช่วยเขาแจกต้นวันแรกแจกต้นไม่ได้เลยวันที่สองก็ได้บ้างไม่ได้บ้างพอวันที่สามแจกได้มากขึ้นแต่ไม่หมดพอวันที่สี่แจกได้ทุกบ้านเลยและแจกได้หมดพอถึงวันงานผู้คนพากันมาทาบุญมืดฟ้ามัวดิน ได้เงินเป็นล้านประสบความสําเร็จอย่างน่าภูมิใจประท้วนคิดว่าเทวดาช่วยมากเลยงานเนี้ยเพราะคนพื้นที่อยากกราบพระหลวงตามากพากันมาเยอะแยะที่รู้เนี่ยรู้จากการแจกต้นและคำถามต่างๆของประชาชนพอรู้ว่าหลวงตามาแน่ก็ยินดีจะช่วยชาติร่วมกับหลวงตาทั้งสิน้น เด็กนำบุญที่ประทับใจอีกที่คือโรงเรียนวัดวชิระธรรมสาธิตอ่อนนุชกรุงเทพที่นี่นับว่าฟืดมากผู้คนมารับต้นพระป่ากันน้อยมากและจะแจกใบปลิวบอกวันเวลาที่พระหลวงตาจะไปเทศงานนี้มีสิ่งที่สะดุดใจป้าท้วนก็คือได้พบเด็กมากมายจึงเกิดความคิดจะชักชวนเด็กมารับของที่ระลึก โดยให้ไปบอกกันปากต่อปากให้ชวนกันมารับประทานอาหารฟังเทศและรับของที่ระลึกกลับบ้านซึ่งจะแจกให้กับเด็กโดยเฉพาะพอถึงวันงานปราทวนติดธุระอยู่ต่างจังหวัดกลับเข้ามาไม่ทันแต่หัวใจห่วงงานจนบอกไม่ถูกจึงอธิษฐานขอให้เทวดาช่วยไปตามเด็กๆมารับของที่ระลึกกันให้เด็กๆชวนพ่อแม่มาฟังเทศพระหลวงตาด้วยให้กวาดออกมาให้หมดทุกบ้านเลยนะ กว่าป้าท้วนจะเดินทางมาถึงกรุงเทพก็ราวๆเกือบ6กโมงเย็นงานเลิกแล้วแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าแจกต้นพระป่าเก่งมากได้ต้นกลับคืนมาเกือบหมดแต่มีเด็กๆที่ไหนไม่รู้มากันเต็มไปหมดจนพระหลวงตาต้องเทศเตือนให้พ่อแม่จูงลูกหลานกลับบ้านให้ดีอย่าให้หลงกันของที่ระลึกที่เตรียมไว้แจกเด็กคือล็อกเกตพระหลวงตาปกติแจกไม่เคยหมดแต่คราวนี้แจกหมดไม่มีเหลือไม่น่าเชื่อเลยว่า เทวดาจะพาเด็กๆมาเต็มงานจริงๆอย่างที่ป้าทวนขอเอาไว้นี่คือป้าทวนป้าทวนเป็นผู้ที่อยู่ในศีลเธอศีล8ปดบรรปลายของชีวิตอุทิศให้กับงานบุญ คือถือศีลปฏิบัติธรรมกับพระหลวงตาไม่ว่าเป็นงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระหลวงตาจะต้องทําด้วยความเต็มใจโดยไม่รั้งรอทุ่มทั้งตัวกายและใจเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักทําบุญร่วมกับพระหลวงตาการทํางานของป้าทุน่นมีทั้งสุขและทุกข์สลับกันไปแต่ไม่เคยหมดกําลังใจเร่งทํางานเพื่อเผื่อแผ่บุญไปตามที่ต่างๆได้รับการตอบรับต่างกันแต่ละแห่งแต่ละบ้าน ไม่ว่าจะได้รับผลมาอย่างไรไม่ใช่ปัญหาสำหรับป้าท่วนป้าทวนเป็นคนที่ไม่เคยหยุดเสียน้ำตามาก็เยอะจากบ้านคนรวยระดับเศรษฐีที่ป้าท่วนคิดว่าคนเหล่านั้นคงจะอยากทำบุญใหญ่แต่ก็ต้องผิดหวังป้าทวนโดนน้ำร้อนสา์เข้าทั้งตัวด้วยการกลดดาจากบ้านที่เป็นเศรษฐีกลับมาได้น้ำใจใส่เย็นจากบ้านติดกันที่มีฐานะต่างกันจนไม่สามารถเทียบกันได้ ซึ่งมีความเต็มใจรับต้นพระป่าพร้อมทั้งให้กำลังใจอย่างมากด้วยคำพูดที่เหมือนน้ำทิพย์จากสวรรค์ที่เย็นชุ่มใจว่าอยากทำบุญกับพระหลวงตามานานแล้วเท่านี้ประทวนก็มีแรงเดินต่อไปโดยมีพระหลวงตาเป็นธงชัยและเป้าหมายเพื่อฝากผลงานถวายไว้กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปปทวนเป็นตัวอย่างของผู้บุกเบิกงานของพระหลวงตาเป็นคนเด็ดเดียวจริงจัง ทุกงานจะต้องมีป้าทวนเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะยื่นหนังสือประท้วงทุกครั้งแจ้งความทุกแห่งลงชื่อสนับสนุนทุกคนงานบุญทุก ง, งานของวัดป้าท้วนไม่เคยเกี่ยงแม้ว่าป้าทวนจะเป็นผู้ส่งศีลถือสินแต่ถวายให้กับพระหลวงตาเพื่อความหลุดพ้นของป้าท้วนเองป้าท้วนไม่ได้ร่ำรวยในทรัพย์สินแต่ป้าท้วนร่ารวยอริยทรัพย์ร่ารวยน้าใจและแรงบุญ ปาทวนสรุปให้ฟังว่าพระหลวงตาท่านมีเมตตากับลูกศิษย์เสมอไม่ว่าลูกศิษย์จะทำอะไรถ้าทำผิดก็จะสอนทำถูกก็จะให้รางวัลปราทวนสังเกตมาตลอดเวลาที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของท่านและจะเป็นต่อไปตลอดกาลและอยากให้คำแนะนำกับผู้เข้ามาทำงานถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกคนด้วยว่าต้องตั้งใจทำงานด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ต้องตั้งใจทางานอย่างจริงจังรอบคอบ และระมัดระวังให้มากเพราะการทำงานถวายพระอระหันต์ไม่ใช่ของทำกันง่ายๆและหลังจากนั้นความสำเร็จทุกอย่างจะตามมาเองทั้งจากฟากฟ้าและบนดินโดยผู้ลงมือทาจะจดจำและปราบลื่มไปกับบุญอันเป็นมหากุศลที่ได้ทำให้ชาติและพระาศาสนาไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว ความโดยคุณออดเสียงอ่านโดยโจโจอยู่ที่ตัวเธอนันเองอยังนี้ลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอแต่คิดในใจอาจคอยสองอยอ่งพลหรือร้อัดลักลับแตมของกับการส่งพลของกัน ไปทำอะไรทำดีหรือร้ายคนคือกันแม่ดวงและดาวจะไม่พราแสงแม้วันนี้จะอ่อนรแรงก็ทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผล Hey, yim la s u thank you.